เพื่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันบอกมุ่งหวังเพื่อที่จะทำงบทำกายให้นิ่งเรามีความประสงค์อย่างนี้นะกบตั้งสติให้ดีตั้งสติ เพราะหน้าอือกำหนดรู้อยู่ที่กายกำหนดรู้อยู่ที่ใจไม่ไปรู้อยู่ที่อื่น <c oughs> คำว่าตั้งสติเฉพาะหน้าเมื่อกำหนดรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้ว ใจนี้จะไม่คิดส่งไปทางอื่นขอให้ใจมันหยุดอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้แลว้วก็โอ้ยบุญหลายยากที่คนจะทำใจให้หยุดนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ผู้ใดทำได้ได้บุญหลายในความสุขมาก ตัณหาก็ครอบงำไม่ได้แลว่าเป็นความดีความชอบของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแท้ดนั้นให้พึ่งพากันกระทาลงไปอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังอย่าไปสงสัยลังเลว่า ถูกทางหรือไม่เนอทำอย่างนี้หรือไม่ถูกทางอย่างนี้ไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นอันอุบายอันใดเมื่อทำลงไปแล้ว ใ, ใจมันสงบลงได้อันนั่นแหละมันก็ถูกทางแหละในขั้นต้นนี่นะให้พึงพากัรสันนิฐาน ดูเพราะว่าคำว่าสมถะแปลว่าทำใจให้สงบนั่นฉะนั้นเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็ถูกทางแล้วขั้นต้นนี่นะในขั้นที่สองบะนี่ขั้นที่สองต่อไปก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่ มันก็อาจจะพลิกแพงไปในทางที่ผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าปัญญานี่มันจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องไปทุกอย่างพระพุทธเจ้ายึงตรัสว่าวิปัสนูปกิเลสนั้นนั่นเป็นกิเลสของวิปัสนา คือความเห็นเคลื่อนคาด จ, จากความจริงนั่นท่านเรียกว่าวิปัสสนูเช่นเห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่เป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขเห็นว่าทำทั้งหลายเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือว่าเห็นไปภายนอกนู่นเห็นแสงเห็นสีเห็นรูปนิมิตต่างๆปรากฏเลยส้ำคันผิดคิดว่าตนรู้ทรรมของจริงเลยชื่นอกชื่นใจไปตามนิมิตต่างๆบางทีก็เกิดโอภาสแสงสว่างขึ้นมา มันแสงสว่างภายนอกนู่นนั่นก็สำคัญว่าตนรู้ทรรมวิเศษก็ปึ้มใจใจลอยไปตามแสงสว่างนั้นนั่นอันนี้ทันเรียวว่ะโอภาษแสงสว่างนี้ไม่รู้ถ้าไม่รู้เท่าก็เลยเป็นกิเลสของวิปัสสนา ทำให้วิปัสสนาดำเนินไปไม่ได้ให้พึงพากันเข้าใจไว้เผื่อว่าผู้บำเพ็ญไปถึงขั้นเจริญวิปัสสนาไปหากมันเกิดวิปราชต์ต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เราจะได้รู้รู้วนั่นคือวิปราชต์ไม่ควรเชื่อถือ ไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหล่านั้นนะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ทำรรมวิเศษอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปกําหนดรู้อย่างนี้แล้วทวนกระแสจิตกลับคืนมอ่าตั้งลงในปัจจุบันนี้ เส้นนี้มันก็ไม่หลงอะไรแบบนี้นะอันความคิดความเห็นอันวิปลาส ต, ต่างๆมันมันก็ดับไปเมื่อจิตนี้ไม่ไปจุดจ่อกับมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปอันวิปลาสนี่มันความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างว่านั่นแหละเห็นว่ารูปร่างนี้ไม่สวยไม่งาม จะไปสำคัญนะสวยว่า ง, งามอันนี้ก็เป็นวิปลาสเหมือนกันอันเนี้ยต้องให้เข้าใจไว้ถ้าตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงเข้าไปจิตใจมันสักมีความเห็นเข้าไปว่ารูปนี่เหมือนสวยงามเสียงนยี่ไพเราะจริงจงอย่างนี้ แล้จิตก็ยินดีไปตามความวิตกอันนั้นนั่นก็เป็นวิปราตเหมือนกันนะอะเพราะมันมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วรูปทั้งหลายไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรขี้ร้ายถ้าดําเนินทางวิปัสสนามันมีแต่ สภาวธารมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปแตกลับลงไปก็ไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิมดังนั้นจึงไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรขี่ร้ายเมื่อเพ่งไปถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วนะบนิจิตของคนเราในสีมันไม่ยอม มันไม่ยอมรับความจริงอันนั้นมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาตัณหามันบังคับใจให้เห็นวิป ร, ราชคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปดังนั้นจิตนี้จึงสงบไม่ได้พุ่งอยู่อย่างนั้นมันวิ่งไปตามความเห็นผิดอ่ะ เพราะสิ่งต่างๆมันอยู่ภายนอกเมื่อเห็นว่าสวยแวย ง, งามเลยมันก็ริ้นแสวงหาส่มันก็อยากได้ขึ้นมาแล้วนั่นเองการแสวงหาไม่ใช่ของง่ายแบบนี้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแลกเปลี่ยนเอาก็ไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตาม จะไปขอเขาเอาดื้อๆ อ, อย่างนี้มันไม่มีทางมันจะได้อะไรข้อดีมันต้องหาเงินหาทองเข้าของอะไรไปแลกเปลี่ยนเอามาหนี้หาเงินหาทองกว่าจะได้นี่แทบประดาตายบางคนก็หาไม่ได้ซําบางคนอยากได้เมียแต่หาเงินไม่ได้ก็เลยไม่ได้เมียซ้ำเลยกลายเป็นชายโสดไป มูนี่มันต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีคนไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนนะจึงว่าไปหลงลุกอำนาจแก่ตันหาตนไม่มีสติปัญญาในะก็อยากจะไปครองเรือนอันเมื่อไปแล้วก็มีแต่ทุกข์วนี้อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีบางคนได้มีได้ลูกมาแล้ว มันอาจอันตญายหาอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาปืนยิงลูกยิงเมียตายแล้วก็ยิงตัวเองตายไปจากโลกนี้เลยมีอยู่ในโลกอันนี้นะนี่แหละคนวิปลาสนะเห็นผิดจากความเป็นจริงไปถ้าหาว่าคนคนนั้นอนะ นึกถึงกรรมถึงเวรของตัวเองว่าตนนั้นมีกรรมไม่ดีมาแต่ก่อนตอนทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนตอนไม่ได้ทำกรรมดีมากเกิดมาในชาตินี้มันจึงไม่ลาไม่รวยจึงมีแต่ความยากจนขนแค้นมีแต่ความขัดข้องมีแต่อุปสรรคเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะ เราก็ต้องอดทนสู้ผลแห่งวิบากกรรมที่ตนทำมาเดี๋ยวเราจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกอส่วนกรรมชั่วที่มันให้ผลมาใ่เราจะขอสะเสวยกรรมชั่วนี้ไปจนกลัวมันจะหมดถ้าผูใ้ใดคิดได้อย่างนี้นับว่าคิดถูก คิดถูกอดกัน้นทนทานสู้ต่อกรรมบ่ามีบากที่ตนรุ่มลงทรมาแต่ชาติก่อนนั้นไปในขณะเดียวกันก็พยายามทำความดีไปการทำมาหาเลี่ยงชีบก็พยายามบึกบืนไปในเมื่อกำลังกายมีอยู่จะไปย่อท้อทำไมสอนตัวเองเข้าไป อย่างนี้ทำใจให้ดีทำใจให้เยอเือกเยนแล้วมันก็มองเห็นช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพได้บุคคลผู้เมาแต่กลุ่มใจแต่เสียใจคับแค้นใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญญาเลยคิดอะไรก็ไม่ออกเมื่อมันคิดอะไรไม่ออกมันจะไปหาเงินหาทองได้ยังไงแล้วนั่นแหละ เพราะฉะนั้นยังว่าการฝึกขนอบรมใจนี่นะมันดีมันเป็นการอบรมแก่นแห่งชีวิตโดยตรงเหมือนอย่างบุคคลต้องการไม้ที่มีเนื้อแข็งไม่แก่นก็จึงต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปให้หมดให้มันเหลือแต่แก่นมันวันนี้ก็เอาแก่นมันมาเลื่อยแปลรูปเป็นข้าวเป็น คือเป็นแปรเป็นดั่งเป็นจันทันอะไรต่ออะไรไปแล้ววันนี้นะอ่าเป็นกระดานฝาเป็นเสาเรือนเป็นคานเป็นตรงอ่าแปรไปได้เลยวันนี้เอาแต่เนื้อเนื้อไม้นั่นอ่ามอดก็ไม่กินบ้านก็ถาวรอยู่ไปได้นานอืมอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนเกิดมาในโลกนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วปนเปนกันมาความประพฤติ ท, ทางกายวาจาใจคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้เรามาภาวนาฝึกสติสัมปัญญะประคับประคองกิจนี้ให้มันได้แล้วก็น้อมเอาเมตตาธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปสู่ใจเมตตาตนแล้วกับเมตตาผู้อื่น อทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีความสุขเอาเราต้องทําใจให้ส ง, งบละความอยากความหิวต่างๆไวเสก่อนทําใจให้ส ง, งบลงเป็นหนึ่งนี่แหละถึงจะมีความสุขทำอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายนี่จึงจะมีความสุขเเราอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาอย่าไปทําเขาให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อเราไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดรอ้อนอก็นึกอย่างนี้เลยพอคิดไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วใจมันก็ดีขึ้นความโกรธความพมตาบาทอะไรมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ใจก็มีความสุขสบาย สัตว์โลกทั้งหลายถ้าหากว่าต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตคิดให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขอย่างนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็มีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยคนมีเมตตากรุณาจิตต่อกันและกันมาก มีแต่เจริญเมตตากรุณาต่อกันไม่คิดเบียดเบียนกันคนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวนานทั้งเป็นหมื่นปีสองหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีเมื่อพระพุเทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกคนเหล่านั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษมากมาย ก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ฝึกฝนอบรมจิตของตนมาหลายชาติหลายภพเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วหลายชาติสั่งสมบุญกุศลความดีนั้นมามากเพราะฉะนั้นมันจึงได้บุญนั้นจึงโดนบันดาลให้ไปเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนาน แต่คนเราเนีส่วนมากมันชิงสุกก่อนทำเอาคั้นว่าทําความดีก็อยากให้มีความสุขไวๆนั่นแหละแล้วทํา น, นิดๆหน่อยๆนึ่นก็อยากให้ได้ความสุขมากๆาถ้าว่าไม่ไม่ได้ความสุขทันใจอย่างว่านั่นแล้วก็ไม่ทําซ้ำนี่คนผู้มีปัญญาตื่นมันเป็นอย่างนั้นแหละ ท่านผู้มีปัญญาอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกท่านย่อมคิดถึงการไกลนั่นเนี่ยคิดว่าชีวิตรหรือว่าดวงกีดอันนี้ถ้ายังลา ก, กิเลสไม่หมดตราบใดแล้วมันต้องได้ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดอยู่ล่ำไปเลยก็เมื่อบุคคลมารู้ว่าตนนั้นยังไม่มีกำลัง สติปัญญาพอที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยประการทั้งปวงได้หมดถ้าก็เริ่มสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปสิ่งใดชั่วก็พยายามละเว้นไปแม้ว่ามันจะผืดเครื่องในการเลี้ยงชีพเพราะการประพฤติสุจริตการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตนั่นก็ช่างมัน่น มีน้อยก็ บ, บริโภคใช้สอยตามน้อยมีมากก็ บ, บริโภคตามมากมีเท่าไรบริโภคใช้สอยเท่านั้นหรือว่ามีเท่าไรก็เราก็กินกันไปเท่านั้นใช้สอยกันไปเท่านั้นพูดภาษาธรรมดานี่ออกไปให้มันชัดเจนลงถ้าทําได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามไป มันจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็ไม่มีศัตรูไม่ไม่มีใครจะมาจองล้างจองขลานแล้วโรคภัย ร, ร้ายแรงก็ไม่เบียดเปียนร่างกายถ้ามีอายุวันนะัุขปพละปฏิพันธนสารสมบัติเพียบพร้อมในชาติที่เกิดนั้นนี่ลักษณะของคนมีบุญลักษณะของคนไม่มีบาป เป็นผู้ละบาปออกจากกายวาจาใจหมดแล้วสังสมแต่บุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนบางยุคบางสมัยจึงมีอายุยืนทั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จนถึงอสงไขยปีนุ่นก็มีในการต่อไปนี่แหละต่อจากยุคนี้ไปนี่เลย คนจะเริ่มมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นไปถึงอสงไขยนูน่นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นได้ประสบความทุกข์ทนทรมานเพราะไม่มีสินไม่มีธรรมรู้ตัวได้จึงชวนกัน ร, รักษาสินขยันกันทาบุญทาทานโดยความไม่ประมาทไม่ทำบาปก ร, รมชั่วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่อไป คนเรล่านั้นจึงเริ่มมีอายุยืนถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนถึงหล่อนต่อๆอไปเลยถึงหลานถึงเลนมากดรักษาสินทำบุญทำทานไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทอจากบรรพรบุรุษที่ผาทำรร ม, มาอายุก็จึงได้ยืนขึ้นเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่พูดถึงวิวัฒนาการแห่งชีวิตของคนเรา มันก็เป็นอยู่นี่แหละเรื่องพุทธชนคนเราซึ่งมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยในเมื่อคนเราได้ไดลึกถึงความดีความชั่วได้ร่าชั่วได้ทำดีได้ชีวิตก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปจนสุดขีดแล้ววันนี้พิสยัยของพุทธชนนะ่ะมันจะรักษาความดี น, นั้นไว้ตลอดไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดความประมาทขึ้น พอเกิความมามายขึ้นอายุก็เริ่ม ส, สั้นลงสั้นลงสั้นลงอย่างนี้นะก็อุปมาเหมือนอย่ บ, บุคคลขึ้นไปสู่ที่สูงเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขานน้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดเขานั้นได้ตลอดเวลาเมื่อไปอยู่ยอดเขานั้นพอสมหวังก็เริ่มลงมาแล้วลงมาลงมา สู่ที่รุ่มไปแล่หรือว่าขึ้นต้นไม้อย่างนี้นะขึ้นไปถึงยอดแล้วไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดไม้นั้นตลอดเวลาถึงได้เวลาแล้วก็ลงมาหาโคนไม้ในอีกแล้วอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เนะี่ยก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจเจริญขึ้นสุดขีดแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมไปจนสุดขีด ในการต่อไปนี่คนจะมีอายุสั้นลงสั้นลงจนถึงห้าปีแต่งงานเป็นมีผัวมีเมียกันแล้วอายุสิบปีตายสิบอายุสิบปีเป็นอายุไขของคนในการต่อไปสุดอายุของมนุษย์ที่สั้นที่สุดแค่นั้นแหละแค่สิบปี ในวันนี้มนุษย์ผู้ที่มีบุญวาทนาติดตามไปนะั่นมันสำนึกตัวได้วันนี้พวกใดมีบาปหนาะสาหโหติดตามไปก็ฆ่ากันตายหมดเหลือแต่คนบุญบันนี้คนมีบุญน่นจึงซักชวนกัน ร, รักษาสินห้ากรรมบท10สิบฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันไป อายุมันก็เลยเริ่มยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปร้อยปีก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งไปเรื่อยๆจนไม่ถึงอสงไขยปนีนู่นนั่นแหละเมื่อคนอายุไขลดลงมาลดลงมาเหลืออยู่แปดหมืนปีพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาตัดสรุในโลกคนสมัยนั้นในยุคนั้นมีแต่คนบุญมีแต่เทวดาจดติจากสวรรค์มาเกิด คนเหล่านั้นไม่ได้ทำบาปมีศีลห้าบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อพระสียอริยไมตไตแสดงําให้ฟังจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ง่ายได้เพราะเป็นคนไม่มีบาปติดตัวมาอันนี้ที่นำประวัติของคนทั้งหลายหรือว่านำเอาอน า, าคตตวงศ์หมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นทรง แสดงเรื่องอดีตมาให้คนทั้งหลายฟังแล้วก็แสดงเรื่องอนาคตว่าต่อไปนี้มนุษย์ที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พระองค์พยากล่วงหน้าไว้เพื่อให้คนฟังแล้วให้ได้เตือนใจของตนเองใ ห, ให้ได้เข้าใจความจริงความหมุนเวียนแห่งชีวิตนี่ว่ามันเป็นยังไงอาศัยเหตุปัจจัยอะไร นี่นะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้เรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตนี่เหมือนก็เลยจะเข้าใจตื้นตื้นสั้นๆเอานึกว่าคนในยุคใดสมัยใดก็จะต้องมีเท่านีนะ้มีอายุเท่าปัจจุบันนีอ่อย่างนี้นะเพราะว่าในอดีตกล่่งมาแล้วเราไม่เห็นนี่อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่สามารถจะรู้ได้โดยปัญญาของตนเอง ดังนั้นเราจึงได้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วผู้ใดรู้ตัวว่าทนจะต้องเกิดอีกอยู่เพราะว่ายังละ ก, กิเลสไม่หมดเช่นนี้แล้วก็จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ไปทำบาปเพราะว่าเมื่อไปทำบาปแล้วบาปมันจะให้ผลเป็นทุกข์ไปชีวิตที่จะไม่ลาบรื่น คนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้ไม่ราบรื่นเพราะเหตุว่าบุญก็ทำบาปก็ทำนี่อย่างนั้นแหละเมื่อบุญก็ทำบาปก็ทาแล้วมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไป ผู้มีปัญญาท่านรู้อย่างนี้นะท่านยึงไม่ทำบาปเม้นจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็อดเอาทนเอาขอให้มีศินบริสุทธิ์ก็เอาแล้วมานึกหาอุบายหลายอย่างมาสอนใจเช่นอย่างว่าคนที่เขาล่ำรวยเงินทองเป็นล้านเป็นโกดหมู่นั่นนะ่ะก็ไม่เห็นว่าอายุยืนยาวนานเอะอะไรเท่าไรนัก ก็รูปร่างสังขารร่างกายก็เหมือนๆ ก, กันกับคนจนนั่นเนี่ยบางคนยังมีโรคภัยเบียดเบียนอีกซ้ําขนรวยๆบางคนนะ่ะอได้เสวยทุกข์ทนทรมานก็มีอายุยังไม่ถันถึงอายุไขาตายไปก่อนก็มีทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้นี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแต่ความสนุกส น, นาน ไปอย่างนั้นแล้วนึกว่ามันจะมีอายุยืนยาวนานไม่ไม่ใช่หรอกนึกว่ามันจะมีความสุขสบายใจไม่แล้วคนมีเงินมีทองมากมากแล้วก็ปีตันหาราคาในหัวใจมากอย่างนี้ยิ่งตายไปทุกวันเนี้ยเขามีเงินมีทองมากๆอา้าวซื้อเครื่องประดับปัดดาใส่ตัวเองแหวนก็ราคาเป็นหมื่นเป็นแสน นาฬิกาข้อมือราคาเป็นแสนแสนนู่นสร้อยคอมูนี้อะไรอะไรก็มีแต่ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยให้ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตู้ทองเคลื่อนที่เขาว่านั่นเนี่ยคนคนอย่างนั้นยิ่งตายไปสมัยทั่วเนี่ยตนก็ไม่มีปัญญาไปถูกนักเกลงดีเขาหลอกล่อไปในที่เปลี่ยวเขาก็ฆ่าเอาเขาฆ่าเอาลอกคาบเอาหมดเลย ตนเองก็ตายพัดภาคจา ก, กสมบัติที่สะสมไว้เป็นหลายร้อยล้านอันนั้นไปนี่มีอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละเรต้องทิจารณาหลายเรื่องมาประกอบกันเข้าไปแล้วตัณหาความทะเยอทะยานในโลกียะสมบัติอันนี้มันก็เบาบางลงแล้วความเพลิดเพลินเจริญใจในกา ม, มคุณ อันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษต่างๆเหล่านั้นมันก็สงบลงไม่ต้องการไม่ปราถนาถ้ายังคล้องอยู่ในกรรมมรรคคุณก็ให้เป็นกรรมอันปราศ จ, จากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตไว้ผู้บริโภคกรรมอันปราศ จ, จากบาปกรมเบภัยก็มีอยู่แต่พูดสั้นๆว่าเมื่อรักษาสิน 5, หายบริสุทธิ์แล้ว ถึงจะมีฟัวมีเมียถึงจะหาเงินหาทองหาความร่ำรวยอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเราสเสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลนั่นแล้วไม่ล่วงศีลนั่นนั้นแล้ ว, ล ว, นนลวได้เงินทองเข้าของมาก็เป็นเป็นของบริสุทธิ์ไม่มีโทษอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหลยให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจ คำสอนของพระพุทเจ้านี้นะว่าวิเศษจริงๆนะนะว่าเป็นหนทางพ้นจากทุกแก่ผู้ปฏิบัติตามจริงๆผู้ปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็พ้นทุกไปได้เท่านั้นแต่ข้อสําคัญแท้ๆเมื่อมีศีหนนละเป็นหลักของชีวิตไวเมื่อเมื่อมั่นในศี น, นี้ได้แล้วข้อปฏิบัติอย่างอื่นนั้นถึงแม้จะหย่อนยานไปบ้างก็ไม่เป็นไรอ่ะ ก็ค่อยทาค่อยไปมันกค่อยเจริญไปเช่นสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเราค่อยทําไปขอให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเรื่องการให้ทานหมดนั้นก็ให้ไปตามมีตามได้ไม่เป็นไรอะศีลนี่สําคัญมากทีเดียวป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจของบุคคลคนเมื่อไม่มีบาปมารบกวนแล้วก็ทาใจให้สงบจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น ส, สามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงได้โดยแท้จริงดังแสดงมา